ผู้ผ่านโยมโลกโดยทอเลียงพิบูลจากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่1เมื่อคุณนายน้อมได้ส่งหนังสือมาให้ข้าพระเจ้าอ่านเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเรื่องตายแล้ววิญญาณออกจากร่างท่องไปตามสถานที่ต่างๆผู้มีประสบการณ์ได้บันทึกและก็เขียนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2497 เมื่อท่านยังเป็นภิกษุนวะกะขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ท่านมีนามฉายาว่ากันตะสิริพิกขุพอที่จะคลี่คลายคำถามในเรื่องตายแล้วไปไหนของท่านผู้สนใจ ท่านได้บันทึกไว้ทายเรื่องว่าการที่อาตมาบันทึกเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่อาตมารักษาศีลภาวนาถือพรหมจรรย์มีสัจจะหากว่าอาตมายังอยู่ในเพศคาราวาสท่านพุทธมามะกะแม้จะเชื่อก็มีน้อยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาตมานั้นเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ลีลับมหาจรั์ยากที่ผู้ที่ไม่ได้ประสบกับตัวเองก็ยากจะเชื่อ ฉะนั้นอาตามาก็คิดแล้วจึงได้บันทึกเรื่องนี้ขึ้นไม่อยากจะปล่อยให้ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็น่าเสียดายก็เลยได้บันทึกเอาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สนใจแล้วก็ได้ศึกษาเป็นแนวทางค้นคว้าในสิ่งลี้ลับซับซ้อนขณะที่อาตามายังอยู่ในร่มโพของพระพุทธศาสนาห่มห่อด้วยผ้ากาสาวพัฒมีศีลสัจจะที่ปฏิบัติ ทำจิตสะอาดบริสุทธิ์มีสติสัมปชัญญะปกติธรรมดามีจิตใจแจม่มใสขอให้ท่านผู้ที่สนใจอ่านจงได้ใช้วิจารณญาณดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอัตมาในโยมโลกนั้นควรจะหยิบยกมาพิจารณาสิ่งลี้ลับในโลกมนุษย์ว่ามีจริงหรือไม่ต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านกันตะสิริพิกขุที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นใหม่และย่อเรื่องให้เหมาะกับหน้ากระดาษจำกัดที่จะพิม เมื่อครั้งอาตมามีอายุ19ปีเศษได้ติดตามญาติผู้ใหญ่ไปอยู่ในหัวเมืองชายแดนเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งกันดาลตามสภาพของท้องถิ่นทางภาคอีสานในเวลานั้นวันหนึ่งอาตมาเกิดปวดฟันปวดกรามเป็นกำลังการปวดฟันนั้นถ้าไม่ได้เป็นกับตัวเองแล้วคงไม่รู้ว่าปวดแค่ไหนอาตมาจึงไปหาหมอฟันซึ่งเป็นชาวจีนที่ตลาดเป็นหมอฟันชั้นสอง สมัยนั้นหมอฟันชั้นหนึ่งหายากยิ่งต่างจังหวัดหาไม่ได้มีแต่หมอฟันชั้นสองที่เป็นชาวจีนทำตกทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบันพบุรุษถึงลูกหลานด้วยความชำนาญเมื่อหมอถอนฟันซี่ที่ปวดออกแล้วอัตมาก็ขึ้นสมล้อพ่วงข้างกลับที่พักเมื่อกลับมาถึงที่พักประมาณ10บนาฬิกาแล้วอาการปวดก็ค่อยเบาบางลงแต่ความรู้สึกเวลานั้นมีความง่วงอยากนอนจึงเอนตัวลงนอน หลังติดที่นอนแล้วเกิดความรู้สึกมีอะไรผิดปกติในร่างกายจากปลายเท้าปลายมือรวมกันเหมือนมีเลือดฉีดแรงแล่นเข้ามารวมจุดอยู่ที่ตรงหัวใจต่อจากนั้นอัตมาก็หมดสติหมดความรู้สึก แต่แล้วพอรู้สึกตัวก็คล้ายกับความฝันแต่ว่าเป็นความฝันที่แจ่มแจ้งชัดเจนผิดกับความฝันธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นกับอาตมาและรู้ว่าร่างนั้นยังคงนอนอยู่ในท่าเดิมแต่ว่ามีบุรุษสองนายผู้หนึ่งยืนอยู่ทางศีรษะอีกคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเท้า บุรุษที่ยืนอยู่ทางหัวนอนนั้นถือคบเพลิงด้ามทำด้วยทองเหลืองอยู่ในมือซึ่งชูขึ้นบุรุษผู้ที่ยืนปลายเท้าเรียกให้อัตมาลุกขึ้นและบอกว่าไปด้วยกันเถิดอัตมาพิจารณาดูชายทั้งสองรูปร่างใหญ่ผิวเนื้อดำล่ำสันอายุประมาณ30และเข้าใจว่าไม่เกิน40ปีอัตมาจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าจะพาไปไหนแต่บุรุษผู้นั้นคล้ายกับบังคับว่าไปก็แล้วกัน ได้ยินเท่านั้นอาตมาก็ลุกขึ้นและเดินตามเขาไปส่วนผู้ถือคบเพลิงนั้นบอกกับเพื่อนว่าให้พาอาตมาไปคนเดียวก็ได้เพราะยังเด็กคงไม่กล้าขัดขืนแล้วก็แยกทางไปอาตมารู้สึกว่ามีสภาพตกอยู่ในความควบคุมตัวไปหมดความเป็นอิสระไม่ทราบชะตากรรมข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบุรุษผู้นั้นเดินนำหน้าอาตมาออกเดินจากบ้านไป ทางเดินผ่านป่าโปรง่งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วอาตมาพยายามสังเกตสองข้างทางผ่านสองข้างทางเดินมีบ้านของชาวบ้านป่าปลูกอยู่เป็นกลุ่มมีเพียงสามหลังเท่านั้นตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรเมื่อผ่านหมู่บ้านสามหลังนี้ไปแล้วก็จะมองเห็นข้างหน้าเป็นหาดทรายมีน้ําใสสะอาดเห็นแล้วอยากจะอาบซึ่งก็ได้แต่คิดอยู่ในใจว่าถ้าได้อาบน้าคงจะเย็นสบาย เมื่ออาตมาขอผู้ควบคุมลงไปอาบน้ําที่หาดทรายบุรุษผู้นั้นก็อนุญาตให้โดยดีแล้วตัวผู้ควบคุมก็ไปนั่งคอยอยู่บนตอไม้ใหญ่ที่ถูกเผาจนดําเกรียมเมื่ออาตมาได้ลงไปอาบน้ําที่ใสสะอาดรู้สึกจิตใจชุ่มชื่นเย็นสบายอาบอย่างเพลิดเพลินไม่อยากขึ้นจากน้ํา บุรุษผู้ควบคุมอาตมาออกปากชวนให้ขึ้นจากน้ำเพื่อเดินทางต่อไปจึงต้องจำใจขึ้นจากน้ำมาอย่างเสียดายรีบสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วอาตมาก็เดินตามบุรุษผู้นำทางซึ่งไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ใดเมื่อเดินไปได้ไม่นานก็ถึงทางแยกรู้สึกว่าจะเคยผ่านมาแล้วจึงหันไปดูให้แน่ใจเมื่อหันกลับมาก็ปรากฏว่ามีกำแพงคล้ายกับกำแพงวัดสูงพอประมาณ บุรุษผู้นั้นได้นำอาตมาเดินผ่านประตูซึ่งเปิดไว้ก่อนแล้วเข้าไปข้างในภายในกำแพงอาตมามองเห็นสระน้ำมีดอกบัวและใบบัวชูสลอนข้างสระบัวมีศาลาบนศาลามีพระกำลังเทศอยู่บนธรรมาตมีหญิงชายนั่งสงบนิ่งพนมมือตั้งใจฟังไม่สนใจอะไรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ เมื่ออาตมาผ่านมาถึงหน้าศาลาก็หยุดเดินแล้วหันหน้าไปทางพระที่กําลังเทศก็ยกมือขึ้นพนมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณคิดถึงเมื่อครั้งเป็นนักเรียนอาตมาเคยปฏิบัติอยู่เสมอเพราะทางไปโรงเรียนจะต้องผ่านวัดผ่านโบสถ์ทุกวันเมื่อเราเดินผ่านศาลาที่พระเทศแล้วก็ถึงกําแพงชั้นในเหมือนกําแพงชั้นแรกมองเห็นข้างในว่ามีบ้านทรงมนันนีลาชั้นเดียวสูง อยู่ทางซ้ายมือหลังหนึ่งในบริเวณบ้านปลูกดอกไม้ตกแต่งไว้เป็นระเบียบสวยงามน่าดูแต่ว่าบริเวณเงียบสงัดปราศจากเสียงใดๆบุรุษผู้นั้นพาอาตมาไปถึงบันไดชั้นสูงแล้วหันมาบอกอาตมาว่ายืนอยู่ตรงนี้ก่อน และบุรุษผู้นั้นก็หยุดนิ่งคล้ายกับจะรอพบใครที่มีตำแหน่งสูงกว่าเมื่อเราหยุดยืนรอไม่นานก็ปรากฏว่ามีพวกบุรุษร่างสูงใหญ่แต่งกายคลาย้ายทหารโบราณมือถือหอกก็มีบางคนก็ถือขวานใหญ่ออกมายืนเรียงแถวขนาบสองท่าท่าทางดุดันขนาบข้างละสมคนเมื่ออาตมาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ทำให้ตกใจสะดุ้งนึกหวาดกลัวนึกในใจว่าคงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเราในทางไม่ดีเวลานี้ แต่ก็พยายามสะกดใจให้สงบไว้ไม่ยอมให้เกิดความกลัวจนเสียขวัญแล้วขาดสติเมื่อคุมสติอยู่แล้วก็คอยดูเหตุการณ์ต่อไปบรุษที่เป็นผู้คุมก็ยืนนิ่งและอาตมาก็ยืนสงบนิ่งเป็นตุ๊กตาไปด้วยในใจนั้นยังควบคุมสติไม่ให้ตื่นเต้นคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไป ทางหน้าเรายืนห่างออกไปมีม่านสีดำเป็นผ้าม่านกำมะหยี่ผืนใหญ่เหมือนฉากปิดอยู่อาตมาคิดว่าภายในม่านหลังนั้นคงจะมีสิ่งที่ลับซ่อนอยู่ภายในอาตมาจ้องดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาไม่นานนักม่านนั้นก็รูดไปรวมกันอยู่ทางเดียวจึงมองเห็นภายในนั้นมีโต๊ะและเก้าอี้สามตัวตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบพิจารณาแล้วเหมือนบรลังผู้พิพากษาออกตัดสินความทางสุดของบรรลังอยู่ด้านหนึ่ง เป็นช่องทางเดินออกมาจากภายในตึกแล้วม่านเปิดก็ปรากฏว่ามีบุรุษผู้หนึ่งเดินออกมามีแฟ้มเอกสารหนีบไว้กับตัวเมื่อเดินออกมาแล้วเขาก็ไปนั่งเก้าอี้ด้วยท่าทางอันสงบบรรยากาศภายในนั้นเงียบสงัดเขาตั้งหน้าตั้งตาเปิดแฟ้มพลิกดูไม่ได้สนใจอะไรเหมือนไม่มีพวกเรายืนห่างออกมาตรงหน้าไม่ไกลนักอาตมาจับตาดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ต่อมาไม่นานก็มีบุรุษอีกผู้หนึ่งเดินออกมาจากข้างในมือเปล่าแล้วตรงไปนั่งเก้าอี้ตัวที่สามด้วยท่าทางอันสงบครูหนึ่งก็มีบุรุษสูงใหญ่ท่าทางสง่างามหน้าเกรงขามแต่งตัวในเครื่องแบบแปลกอาตมาไม่เคยเห็นมาก่อนจึงอธิบายไม่ถูกพอมาถึงก็นั่งลงที่เก้าอี้ตัวกลางพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็หันหน้ามาทางอาตมาว่าอาตมาเป็นคนใจบาปเมื่อเด็กอายุเท่านั้นได้เอาก้อนอิดขว้างลูกไก่ตาย อตาตมาก็นิ่งฟังอย่างสงบแล้วก็หวนไปนึกถึงอดีตเมื่อครั้งเป็นเด็กเป็นความจริงที่อตาตมาเคยคว้างลูกไก่ตายอตาตมาอยากจะเรียกท่านผู้นั้นว่ายมบาลแล้วยมบาลก็ลำดับเรื่องต่อไปถึงเรื่องอะไรอตาตมาทำบาปกรรมอะไรไว้ในโลกมนุษย์ที่จำได้อตาตมาก็รู้ว่าเป็นความจริงที่จำไม่ได้อตาตมาก็ว่าไม่ตรงกับความจริงเมื่อยมบาลหยุดพูดอตาตมาจึงบอกว่า การที่เอาก้อนอิดคว้างลูกไก่ตายนั้นเป็นความจริงนอกนั้นข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงย ม, มาบาลเห็นอาตมาค้านเสียงแข็งเช่นนั้นจึงหันมาทางผู้ตรวจแฟ้มถามว่าคนที่ให้เอาตัวมานั้นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ผู้ตรวจแฟ้มดูในแฟ้มตอบว่า13ปีชื่อเดียวกันกับอาตมาท่านย ม, มาบาลย้อนถามอาตมาว่าชื่อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่อาตมาบอกไปว่าใช่ชื่อนี้เวลานี้อายุ19ปี รู้สึกว่าเมื่อย ม, มาบานได้ยินแล้วทำท่าตกใจรีบสั่งผู้ที่ควบคุมตัวอาตมาแต่แรกว่าให้รีบพาอาตมาไปส่งให้เข้าร่างประเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทางบ้านเขาจัดการไปแล้วจะลำบากแล้วย ม, มาบานก็ให้โอวาดว่า ใครไปเกิดเป็นมนุษย์สร้างแต่กรรมดีเป็นกุศลเมื่อสิ้นอายุไขแล้วมาสู่ยมโลกไม่ช้าก็กลับไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีต่อไปหากสร้างกรรมชั่วเมื่อสิ้นชีวิตมาสู่โยมโลกต้องใช้หนี้กรรมที่ทำบาปไว้ในโลกมนุษย์กว่าจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นแสนยากลำบากนานแสนนานกว่าจะใช้หนี้กรรมหมด ย ม, มาบาลยังได้บอกกำหนดเวลาที่อัตมาจะสิ้นอายุขายย ม, มาบาลบอกเสร็จแล้วก็สั่งให้ผู้คุมที่พาอัตมามาให้รีบพาไปส่งกลับโลกมนุษย์ก่อนที่จะกลับยังมีเวลาก็ให้ผ่านไปทางสถานที่มนุษย์ที่สร้างกรำชั่วคอยเวลาชดใช้กรรมบุรุษผู้คุมนั้นพาอัตมาขึ้นไปบนตึกสามชั้นรูปร่างตึกมีระเบียงคล้ายกับกระทรวงกาลาโหมของบ้านเราแต่ว่ามีห้องเป็นลูกกรงเหล็ก ภายในมีผู้ถูกคุมขังเอามากมายคงได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสอ้าปากร้องกรรางเสียงแหบเวลานั้นอาตมาเกิดความรู้สึกหวาดกลัวไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูอยากจะหลับตาอาตมาไม่อยากจะเห็นภาพของมนุษย์ที่จิตโหดเหี้ยมสร้างบาปไว้มากทุกข์ทรมานไม่อยากถามอยากจะให้เขาพากลับบ้านจึงเร่งให้พาตัวออกจากสถานที่นั้นโดยเร็วซึ่งผู้คุมก็คงจะรู้ใจจึงพาอาตมามาส่งทางเก่า พอมาถึงทางแยกและทางที่ไปหาดทรายที่อาตมาอาบน้ําบุรุษผู้คุมก็บอกว่าต่อจากนี้เดินไปเองเถิดประเดี๋ยวก็ถึงแต่อาตมากลัวจะหลงทางจึงอ้อนวอนขอให้ไปส่งถึงบ้านแต่ก็ได้รับคําปฏิเสธยืนคําว่าเดินไปเถิดไม่ต้องไปส่งประเดี๋ยวก็ถึงบ้านเองเป็นอันว่าอาตมาต้องเดินกลับคนเดียวแล้วรีบเดินอย่างตื่นกลัวว่าจะหลงทางกลับบ้านไม่ถูกทางภาพที่ได้พบยังติดตาฝังอยู่ในความรู้สึกไม่รู้หาย มีความรู้สึกหวาดกลัวสยดสยองไม่รู้ลืมอัตมาอยากถึงบ้านโดยเร็วเดินไปเหลียวหน้าแลหลังกลัวหลงทางกลับบ้านไม่ถูกบังเอิญเท้าไปสะดุดรากไม้อัตมาก็หกล้มตีลังกานอนไง่ายไม่เป็นท่าแล้วก็หมดความรู้สึกไปในทันทีพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นตัวเองนอนบนฟูกอยู่ในห้องบ้านที่อัตมานอน พอรู้สึกตัวได้สติก็มองเห็นพี่สาวและชาวบ้านใกล้เคียงมานั่งอยู่ข้างที่นอนต่างก็มีหน้าเศร้าเป็นทุกข์มีถาดใบสีปากชามข้าวตอกดอกไม้บุหรี่อยู่ถาดหนึ่งเมื่ออาตมาหันไปดูพี่สาวคนใหญ่แล้วก็น้องๆก็เห็นตาแดงต่างเช็ดน้ําตาแสดงถึงการร้องไห้เป็นการใหญ่มาแล้วเมื่ออาตมารู้สึกตัวมีสติปกติฟื้นขึ้นมาเวลาบ่ายมากแล้วมีความรู้สึกกระหายน้าเป็นอย่างมาก กลำคอแห้งผากน้ำลายไม่มีในปากจึงร้องบอกพี่สาวซึ่งนั่งอยู่เลใกล้ด้วยเสียงแหบๆขอน้ำดื่มพี่สาวก้มหูฟังพอรู้เรื่องก็รีบสั่งน้องสาวให้รีบไปตักน้ำใส่ขันใบใหญ่มาให้ดื่ม อาตมาได้ดื่มน้ำด้วยความกระหายแทบจะขาดใจแล้วค่อยทำให้จิตใจชุ่มชื่นสดใสสบายขึ้นเมื่อดื่มน้ำอิ่มแล้วพอมีกำลังและมีเสียงดังขึ้นก็บอกว่าอาตมาไม่ตายแล้วพวกพี่สาวน้องสาวและเพื่อนบ้านที่นั่งอยู่ที่นั่นต่างพากันดีใจ อาตมาบอกว่าหิวข้าวน้องสาวก็ไปจัดสำรับมาให้อาตมากินกินอิ่มแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ไปประสบมาให้ฟังต่างมีความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาตมาในปรโลกด้วยความสนใจนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระภิกษุนวะกะที่วัดราชประดิษฐ์บันทึกเขียนเมื่อครั้งท่านยังเป็นกันตะสิริภิกขุ ตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นครั้งแรกยังมีการตายและฟื้นขึ้นครั้งที่สองข้าพเจ้าแยกออกเป็นสองตอนเพราะต่างวาระต่างเวลากันทั้งบางเอิ่หน้ากระดาษจำกัดหากมีเวลาพิมพ์ฉบับหน้าก็อยากจะเรียบเรียงตอนต่อไปข้าพเจ้าได้รับความเห็นดีเห็นชอบจากท่านเจ้าของเรื่องขออนุญาตให้ข้าพเจ้าเรียบเรียงข้อความของท่านผู้ผ่านยมโลกนี้ก็คือคุณธนะศิริศิริสัมพันธ์ปัจจุบันท่านอยู่บ้านสวนข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเรื่อง ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องผู้ผ่านยมโลกมาในที่นี้ด้วย